ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำก็พากันเดินทางจากหมู่บ้านไปยังป่าช้าผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายสพาพกระบอกน้ำใส่น้ำฝนไปดื่มส่วนบุรุษทั้งสี่แบ่งกันถือของใช้ตามที่ท่านพระครูสั่งซึ่งมีจอบเสียมและมีดเน็บไม่ลืมที่จะนำดุ้นขี้ใต้กับไม่ขีดไฟไปด้วยเผื่อว่าตอนขากลับ เกิดมืดค่ําลงจะได้ใช้เป็นประทีปสองทางข้ารืหัด ส, สามคนลับหลังไปแล้วหลวงพ่อดําจึงเลิมตาพูดกับท่านพระครูว่าหลังจากปราผีดิศเสร็จแล้วเราจะพาเธอไปพบพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดหน้านี่หรือครับท่านไม่ได้อยู่จังหวัดน่านหรอกถ้าลองทายซิว่าท่านอยู่จังหวัดอะไร ห้ามใช้เห็นหนอช่วยนะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับน่านใช่ไหมครับถูกแล้วผมขอทายว่าจังหวัดแพร่ครับไม่ถูกทายใหมส่สิพิษณุโลกครับไม่ถูกอีกตอบใหม่อีกทีสิคำตอบสุดท้ายจังหวัดลำปางครับถูกต้องใช่หลวงพ่อกเกษมเขมโก ที่ท่านอยู่สุสารไตรลักษณ์หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติเข้มมากได้ยินว่าเข้าฌานสมบัติครั้งละห ล, หลายวันท่านพระครูพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกต้องเธอรู้ไหมว่าทําไมท่านจึงนิยมเข้าฌานแม้จะสําเร็จเป็นพระอาหารหันแล้วก็ยังยินดีในฌานสมบัติผมไม่ทราบครับ แต่ถ้าหลวงพ่อต้องการให้ผมทราบผมก็จะขออนุญาตใช้เห็นหนอเข้าช่วยไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นจะดีกว่าการใช้พลัมเพลือโดยไม่จำเป็นไม่ใช่อริยะวิสยัยเราก็บอกใบให้เธอก็ได้ว่าท่านอาพาธมานานท่านอาพาธได้โรคอะไรครับมเร็งในกระดูกกระดูกท่านพลุนเกือบทั้งร่างแล้ว ถ้าเป็นปุถุชนก็ต้องเจ็บปวดทนไม่ได้มะเร็งในกระดูกเนี่ยปวดทรมานมากถ้าเช่นนั้นผมพอจะตอบได้แล้วครับการที่ท่านเข้าชานสมบัติก็เพื่อดับทุกขเวทนาที่ได้รับแสดงว่าท่านต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติเพราะไม่เช่นนั้นก็ดับเวทนาไม่ได้ถูกแล้วนิโรธสมบัติซึ่งชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิทนิโรธสมบัติ เป็นสมมติที่ดับสัญญาและกเวทนาต้องเข้าถึงนิโรธสมบัติจึงจะดับเวทนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุ ข, ขเวทนาพระอาหารหันตุกองค์สามารถเข้านิโรธสมบัติได้ใช่ไหมครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมบัติได้มีแต่พระอริยบุคคลสองประเภทเท่านั้น คือพระอนาคามีที่ได้สมบัติ8กับพระอรหันต์ประเภทออปโตพาคาวิมุตตินอกนั้นไม่สามารถเข้าได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีที่ได้สมบัติ8ก็ไม่สามารถเข้าได้หรอครับถูกแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับเพราะสมาธิของท่านยังไม่สนิทพอต้องก้าวขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง คือได้เป็นพระอนาคามีเสก่อนพูดมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปได้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อกเกษมท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตเธอสรุปได้แต่ก็เพียงแค่แง่หนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงท่านเป็นมากกว่าที่เธอสรุปหมายความว่าอย่างไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจ เอาไว้เธอพบท่านแล้วก็จะรู้เอาละเราจะให้การบ้านเธอไปทำการบ้านอะไรครับยากหรือเปล่าเธอบรรลุรรมาถึงขั้นนี้แล้วคาว่ายากไม่มีอีกต่อไปการบ้านที่เราจะให้เธอไปทำก็คือหลังจากที่เธอได้พบกับหลวงพ่อกเกษมและได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบรรลุธรรมสึ่งกันและกันแล้วให้เธอตอบเราว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระอรหันต์ประเภทใดนอกเหนือจากอุปโตภาควิมุตเราต้องการทดสอบความรู้ด้านประยัตของเธอแล้วหลวงพ่อไม่สนธนากับท่านหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นรู้ไว้เถอะว่าคนที่เห็น หรือได้พบปะสนทนากับเรามีไม่มากนะักอย่างหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดด้วยความเพียรพยายามของท่านเองท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราเราก็ไม่มีอะไรจะแนะนําท่านพูดง่ายๆคือท่านไม่ต้องพึ่งเราในเรื่องการปฏิบัติเพราะท่านก็ได้ดาเนินตามมัชมันคาที่ถูกต้องดีแล้ว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 ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หลวงพ่อรู้จักทุกรูปไหมครับถ้าเราต่องการจะรู้จักหลวงพ่อดำบอกเป็นเงื่อนไขหลวงพ่อครับเมื่อตะกี้นี้หลวงพ่อพูดถึงหลวงพอ่อเกษมว่าท่านครานิโรธสมาบัติเพื่อดับทุกขเวทนานั้นทำให้ผมเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานตามที่กล่าวไว้ในคมภีพระไตรปิฎกนะครับ ท่านพระครูวกกลับมาพูดเรื่องเดิมมายความว่าอย่างไรคือผมคิดว่าพระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติเพราะมีพระประสงค์จะดับทุกขเวทนาใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วทรงกระทำปรินิ พ, พานบริกรรมโดยอนุปปภวิหารสมาบัติทั้ง9ทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน ยะตุททะฌานครบรูปปาพจรสมบัติทั้ง4ตามลําดับออกจากตตุททะฌานแล้วก็เข้าอารูปสมบัติทั้ง4คืออากาศานัญจายตนะวิญญาณันจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลําดับออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติ ทงข้าสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติอยู่ในนิโรธสมาบัติตามการที่พระองค์ทรงกําหนดแล้วสเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงปฐมฌานเป็นปฏิโลมถอยหลังครั้นสเสด็จออกจากปฐมฌานก็ทรงเข้าทุติยฌานตามลําดับจนถึงจะตุถตาฌานออกจากจะตุถตาฌาน พระองค์ก็ปรินิพพานแล้วนปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขะบุรณะมีมหามงคลสมัยหลวงพ่อดำสาธยายพระองค์ทรงขมทุกขเวทนาด้วยการเข้าสมบัติเพราะแม้จะทรงบรร ล, ลุพระนิพพานแล้วแต่ทุกกายก็ยังมีผมเข้าใจครับว่าคนที่กำลังจะตายนั้นมันทรมานอย่างไร ผมเองเคยผ่านความตายมาหลายครั้งถ้าไม่ได้ปฏิบัติมากๆคงตายไปนานแล้วผมจึงอยากให้ญาติโยมเขาปฏิบัติกันเพื่อจะได้เตรียมตัวตายอย่างมีสติคนที่ไม่เคยปฏิบัติขณะ ก, กำลังจะตายมักพรองสติไม่ได้เพราะมีเวทนากลา้าด้วยเหตุเนี้คนส่วนใหญ่จึงพากันหลงตายแทบทั้งสิน้น ที่จะตายอย่างมีสตินั้นน้อยมากหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรครับสอบถามอาจารย์เรื่องนี้เราไม่มีความเห็นหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์ก็เรายังไม่ตายนี่นะครับ คงจะมีหลวงพ่อองค์เดียวในโลกที่อยู่นานกว่าใครๆผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลวงพ่อมีอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปีท่านพยายามพูดเรียบเคียงเพื่อจะทราบอายุที่แท้จริงของหลวงพ่อดำหากก็ต้องผิดหวังเพราะภิกษุรัตัญยูไม่ได้พูดว่ากไกลไปที่ป่าช้ากันเถอะบานีพวกโยมคงใกล้ถึงแล้ว หลวงพ่อดำพูดหลังจากที่นิ่งอยู่อึดใจใหญ่ครับผมพร้อมแล้วจากนั้นอาจารย์กับศิษย์ก็ใช้คาถาย่นระยะทางโดยต่างองค์ต่างใช้ประเดี๋ยวหนึ่งก็มาถึงป่าช้าหลวงพ่อดํานั่งลงตรงโคนต้นช้ำช้าส่วนท่านพระครูนั่งต่ำลงมาครูใหญ่ๆพวกโยมทั้งเจคนก็มาถึงหลังจากใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมง ลุงปูเหนื่อยไหมครับหนุ่มน้อยลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามท่านพระครูเมื่อเห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาอยู่ไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนุ่มล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพวกคนโตเขาเดินไม่รอเด็กเลยผมกับพี่ชายต้องเร่งปีกเท้าเพราะกลัวจะไม่ทันพวกเขาพ่อหนุ่มตอบผมกลัวผีอีกแก้ว จะมาจับไปดูดเลือดด้วยครับพี่ชายเด็กหนุ่มบอกเหตุผลไม่จับปอกกลางวันแสกๆอย่างเนี้ยเขาไม่ออกมารอกไม่ต้องกลัวนะท่านพระครูพูดปลอบใจลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าหมู่เฮาจะปราบผีกันได้หรือยังครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับ โยมเขาถามว่าพวกเขาจะลงมือปราบผีกันได้หรือยังท่านพระครูถามหลวงพ่อดาได้เลยเธอบอกเขาสิว่าขุดซากผีขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกว่าทำอย่างไรหลวงพ่อดำพูดทั้งที่ยังหลับตาผู้ใหญ่บ้านและพักพวกอีกสี่คนต่างก็คิดตรงกันว่า หลวงปูอ่องค์นี้มีอะไรแปลกๆทำไมต้องหลับตาพูดด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงเข้าใจในสิ่งที่ภิกษุรัตัญยูพูดจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าซากของผีดิบถูกฝังไว้ตรงไหนครั้นเห็นแล้วก็รายงานอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับมีตั้งห้าศพฝังอยู่ลึกมาก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 เราก็จัดการให้สามศพก่อนท่านบอกกล่าวแล้วสามศพที่ว่านั้นศพไหนครับที่ผมเห็นเหมือนเหมือนกันทุกศพลองดูใหม่แล้วก็สั่งให้เขาขุดขึ้นมาพิสุรัตัญโยสั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านพระครูจึงต้องดูอย่างละเอียดทีท่วนอีกครั้งแล้วจึงชี้ให้ผู้ใหญ่บ้านดูเนินเตี้ย ที่มียากขาขึ้นอยู่เต็มขุดลงไปตรงนี้แหละขุดลึกๆเลยท่านสัง่งจากนั้นบรุษสี่คนก็ช่วยกันขุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านยืนบงการอยู่ใกล้ๆส่วนเด็กหนมสองนายนั่งเฝ้าลูงปูเพราะคิดตรงกันว่าถ้าผีดิบลุกขึ้นมาอารวาดก็จะยึดลุงปูไว้เป็นสาระขุดลึกลงไปได้ประมาณวาหนึง่งบรุษสี่คนถึงกับเหงื่อตก ทั้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบซากผีจึงอุทธนว่าสงสัยจะไม่ใช่ตรงนี้มั้งหลวงปู่หมูเฮาขุดตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยเจอสิขุดต่อไปเรื่อยๆต้องเจอแน่ทาไมเจออาตมาให้ปรับหลวงปู่มีอะไรจะให้หมูเฮาปรับครับไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากบาทกับย่ามมรุษนายหนึ่ง ถามซื่อๆก็ให้ริบบาทกับย่ามไงละ่ะหรือจะเอาจีวรไปด้วยก็ได้แต่ขอสะบงไว้นะไม่งั้นมันดูอูจาร์เกินไปท่านพูดยิ้มยิ้มเมื่อหลวงปู่บอกให้ขุดต่อพวกเขาจึงจำต้องขุดปลอบใจตัวเองว่าคงไม่โกหกครั้นขุดลึกลงไปอีกสองว่าก็พบฝาผุๆคลุมสิ่งหนึ่งไว้ จึงช่วยกันเขียบฝาออกสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นอุทานขึ้นพร้อมกันเรากนัดว่าผีดิบ